มีเยอตอนหนึ่งนนะักที่หลวงพ่อคำเขียนท่านก็ทาไปปฏิบัติธรรมในใหม่หมก็ตอนนั้นยังไม่บวชก็สงสัยไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะเราเป็นคนยากจนเป็นเพราะเราไม่ไม่ค่อยได้ทำบุญทำทา น, น, นกับเขาสักเท่าไหร่ไอ้ตัวนี้หรือเปล่าเนาะจะเป็นเป็นสิ่งที่ขวางกัน้นทาให ปฏิบัติทมแล้วก็ไม่เข้าใจธรรมนะเสถีเพราะว่าดูหลวงพ่อเทียนนะท่านแต่ก่อนเป็นเรียกว่าเป็นเศรษฐีนะเป็นเศรษฐีทำบุญกระทิ้นทำบุญพระปา่าทำบุญบวดพระทำบุญสร้างโบสสร้างศาลาต่างๆหลายอย่างท่านก็เกิดความไม่แน่ใจนะ ไม่แน่ใจว่าเหตุ น, นี้หรือเปล่าน้อทำให้ท่านไม่เข้าใจธรรมะสักทีแต่หลวงพ่อเทียนท่านก็บอกนะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวกับบุญพวกนั้นนะไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าบุญจริงๆนะที่ท่านเข้าใจธรรมะนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี่เอง มันก็คล้ายๆที่มีมีพระมหากตรศั์จีนนะสมัยก่อนที่ตั้งแต่ช่วงพันกว่าปีนยที่ตอนนั้นท่านตักม้อนท่านตักม้อนี่เป็นพระจากเมืองจีนนะเขาก็ว่าท่านก็ล่องเรือมาขึ้นฝั่งแถบมณฑลกวางตุ้งนะ ขึ้นฟังมาที่ประเทศจีนนะเรียกว่าเป็นเป็นต้นฐานต้นสายของนิกายเซนนะในประเทศจีนนะท่านทัพมอก็เดินทางมาจากเมืองจีนเลยลนงะมาจากอินเดียมาสู่เมืองจีนท่านมาก็มาไม่นานท่านก็เผยแพร่ธรรมะจนเป็นที่ยอมรับนะเป็นที่ยอมรับของคนจีน ก็มีตอนหนึง่งพระมหากษัตริย์จีนตอนนั้นก็ศรัทธาพุทธศาสนาเยอะนะเขาว่าสร้างวัดสร้างวาถึงแปดหมืนสี่พันแห่งทั่วประเทศนะก็นิมนต์ท่านตักหมอเข้ามาในวังนะก็อยากจะก็อาจจะมาสนทนาธรรมกันเนาะนะก็มีตอนหนึ่งก็ก็ถามท่านตักหมอว่าเนะ เขาบผมสร้างวัดแปดหมืสี่พันวัดเนี่ยได้บุญมากคือเปล่าครับอะไรประมาณนั้นนะท่านตักหมอก็บอกว่าไม่ได้บุญเลย <c oughs> อันนี้ปัญหากษัตริย์นี่ก็แบบทั้งตกใจทั้งทั้งเสียใจหรืออาจจะโกรธ ท, ที่ท่านตักหมอตอบเช่นนั้นด้วยนะว่าโเราอุตส่าห เอาเงินให้บริวารไปสร้างวัด ต, ตั้กว่าแปดหมื่นสี่พันวัดจะเรียกว่าไม่ได้บุญเลยเหรอท่านสมมอบอกไม่ได้บุญเลยนะแต่จริงก็มันก็คล้ายๆที่หลวงพ่อเทียนท้าตอบหลวงพ่อคนเขียนนะว่นะบาบุญที่เกิดจากนะเอาวัตถุสิ่งของนะบริจาคทําทานนะหรือว่าสร้างสิ่งที่เป็นวัตถุนะ เช่นที่เรียกว่าวัดเนะีนะ่ยมันไม่ได้บุญเลยนะหรือไม่ได้บุญที่เกี่ยวกับการที่ทำให้พ้นทุกขนะ์แต่ถ้าจะว่าไปจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้บุญนะแต่เพียงแต่ว่ามันก็เป็นบุญที่ที่อนิสงษ์ยังยังเล็กยังน้อยอยู่นะมันก็ยังไม่ใช่ตัวที่จะทำให้เกิดบุญสูงสุดนะ ในความหมายของหรวงพ่อเทียนหรือความหมายของท่านอาจารย์ตักมอนะท่านหมายถึงบุญที่สูงสุดคือบุญของความที่พ้นจากความทุกข์นะหรือว่าบุญที่เกิดจากการที่มีสติปัญญา น, นี่คือบุญที่ที่สูงสุดแต่คนส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่ก็อาจจะพอใจหรือว่าติดใจเพียงแค่ บุญที่เรื่องการทำทานเรื่องการบริจาคสร้างนั้นสร้างนี่นะซึ่งก็ที่จริงถ้าจะว่าดีมันก็ดีน ะ, ะ, ะ, ะมันก็ดีในการที่สร้างวัตถุสิ่งของที่เป็นประโยชน์ต่อศาสนาหรือว่าสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้คนได้พักมันก็เป็นบุญที่ มันก็มีบุญนะแต่มันก็ยังไม่ใช่ว่าทําแค่นี้แล้วจะทําให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงหรือว่าคนทุกข์ได้อย่างแท้จริงเนาะอืแต่มันก็เป็นเพียงแค่เบื้องต้นนะเป็นเบื้องต้นที่ทําให้เรารู้จักสละนะสละวัตถุภายนอกนะมาสร้างวัดมาสร้างโบสถ์มาสร้างงานบวชอะไรแบนั้น ก็แล้วแต่เป็นการรู้จักเบื้องต้นในการสระสิ่งภายนอกหรือบางคนอาจจะไม่มีทรัพยนะ์ขนาดนั้นนะแต่ก็เอาด้านกายของเรามาสระนะมาสระทางานที่เป็นประโยชน์ต่อวัดต่อศาสนานะมันก็เป็นความเสียสระเบื้องต้นที่มันก็จะปูทางจะปูทางให้เรานะเดินเข้าใกล้ พอรัตนาไตได้มากขึ้นเมือนอย่างแต่ก่อนนะนสุมเมธาดาบทนะนเป็นเป็นชายหนุ่มนะที่พอทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้ า, นาในอดีตเนาะจำมันก็จำไม่ได้มอนพระองค์ไห น, นท่านพระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นมาแล้วนะ ตูมธาดาบทราบว่าพระพุทธเจ้ากับพระพระสงฆ์สาวกจะเสด็จเดินผ่านทางแถบหมู่บ้านที่ตนอาศัยอยู่นะก็ได้ชวนชวนชาวบ้านชวนคนถนัแหละนะมาทำทางให้กับพระพุทธเจ้านะแต่ก็เร่งทำทางกันก็ไม่เสร็จพระพุทธองค์ก็เสด็จมาพอดี สมเาดาวบทนะเห็นว่าทางมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นโคลนตมนะท่านเรียกว่าสระนะสละเอาเอาร่างกายของท่านเป็นทางให้พระพุทธองค์ท่านเสด็จผ่านแล้วก็ให้พระสาวกนะเดินตามผ่านไปด้วยนะนะพระพุทธเจ้านะในตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะนะ เล้พระกัสสปะพุทธเจ้าหรือเปล่ามันก็มีพระติต้องขอเอาใครเมื่อเห็นสมิทธาดาบทท่านทำเช่นนั้นนะก็ก่าวว่านี่แหละนี่แหละต่อไปดาวดบ ท, ทุนี้แหละจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอีกสี่อสมขยแสนมหากัปนอดาวดบ ท, ทุนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้า คําทํานายนะที่ก็กัสส ป, ปะพุทธเจ้าท่านทํานายว่าคนผู้นี้แหละต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในในองค์ปัจจุบันที่พวกเรานับถืออยู่นะเรียกว่าสมณโคดเรียกว่าเป็นสิทธัตถะภูมานแล้วก็เกิดเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศักกยะวงศ์นี่คือเขาเกิดจากอะไร นะสุมเมธาดาวดก็เสียสละนะแรงกายของตนนะทําทางแล้วก็เสียสละยิ่งกว่านั้นนะในการที่เสียสละร่างกายของตัวเองเป็นทางนะให้กับพระพุทธเจ้านะที่ท่านนับถือแต่มันก็ยังอีกนะสี่อสงไขยแสนมหากรัปเรียกว่าต้องบาเพ็ญบารมีอีก อีกนานนะอีกนานไนงะกว่าจะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่นั้นคือบารมีระดับเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าต้องบำเพ็ญนานนะหรือบำเพ็ญมากบำเพ็ญแบบอุกิจเนะี่ยเรียกว่าที่จริงบางชาติถ้าถ้าอยากจะบรรลุธรรมจริงๆเนะี่ยก็อาจจะง่ายเนะี่ย แต่ท่านก็มองว่ามันเป็นทางทางไปแต่ผู้เดียวนะถ้าจะบรรณุทางแบบเป็นสาวกนะมันคือทางที่ไปผู้เดียวแต่ท่านตั้งใจที่ช่วยสรรพสัตวนะ์คนที่แบบมีจิตที่อธิษฐานนจะเป็นพระพุทธเจ้านะเขาเรียกว่าเป็นตั้งจิตเป็นพุทธภูมิพนะุทธภูมิ คือตั้งใจที่จะอธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายเนะี่ยคือบารมีจะต้องบำเพ็ญเยอะแล้วก็มันอาจจะต้องเดินทางแบบค่อยๆสะสมไปนะแต่ตอนถ้ารู้ธรรมะเองก็จะจะมีบริวารมีพวกพ้องเยอะอันนี้ ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังมาอีกทีหนึ่งนะแต่ไม่ใช่สายเราท่านบอกอย่างเช่นหลวงปู่มั่นเนี่ยหนวงปู่มั่นเองท่านก็แต่ก่อนท่านเคยอธิฐานวารมีจะเป็นพระพุทธเจ้านะเรียกว่าอยากจะเข้าถึงพุทธภูมิองค์หนึ่งเหมือนกันท่านก็ก่อนนั้นท่านก็บำเพ็ญวารมีมาเยอะนะแต่พอมาชาติสุดท้ายตัวนี้นะ ท่านก็เปลี่ยนคำอธิฐานจิตแทนที่จะเป็นพุทธภูมิก็เป็นสาวกภูมิ น, ะ, นะก็เข้าถึงธรรมะสูงสุดได้แต่ด้วยบา ร, รมีที่บาเพ็ญมามากก่อนหน้านั้นท่านก็เรียกว่าก็มีบอดวายมีพวกพ้องเยอะมนะมีลูกศิษย์ลูกหามีคนนับถือเยอ ะ, ะแต่ก็ไม่ใช่เยอะระดับพระพุทธเจ้านะแต่ก็เยอะระดับสาวกภูมิที่ ที่มีบริวารมากมีปัญญามากนะวันนี้อันนี้คือเป็นเรื่องราวที่เป็นส่วนของการบําเพ็ญบารมีเนาะเนะี่ยเหมือนที่พูดตอนต้นว่าเราบําเพ็ญบารมีหรือว่าคนส่วนใหญ่บําเพ็ญบารมนะีเริ่มจากการทําทานนะหรือว่าเริ่มจากการที่เสียสละร่างกายอุทิศร่างกายเรา ให้เป็นธรรมทานให้เป็นประโยชน์ต่อศาสนาหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อต่อโลกอะไรแนะี้ก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนะนะเหมือนพวกเราเสียสระนะแรงกายหรือแรงทรัพย์ของเราเนพะื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างอาสมหรือว่าเราจะไปทำบุญที่อื่นอะไรแนะี้มันก็เป็นสิ่งสิ่งที่ เป็นประโยชน์นะไม่เป็นบุญนะเรื่องต้นนะแต่ก็อย่างที่หลวงพ่อเทียนหรือท่านอาจารย์ตักม้อท่านบอกว่ามันยังมีบุญที่สูงกว่านั้นนะบุญที่สูงกว่านั้นคืออะไรคือการสร้างใจของเราให้เป็นพระนะการสร้างวัดที่เป็นวัตถุภายนอกเนี่ยมันก็มันก็เป็นบุญ ที่ดีที่มีประโยชน์แต่ยังไม่ใช่บุญที่สูงสุดการสร้างวัดสร้างอาสมสร้างภาษาปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดคือการสร้างใจของเราให้เป็นพระเราจะทําอย่างไรให้ใจของเราเป็นพระก็เหมือนที่เราได้สวดมนต์เมื่อสักครู่หรือว่าสวดแทบทุกเช้าน ก็คืออะไรขอให้พรมจันทร์ของเราทั้งหลายนั้นน่จงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดเห็นกองทุกทั้งสิ้นนี้เทิดขอให้พรมวจันทร์ก็คือพรมวจันทร์คือการใช้ชีวิตที่ประเสริฐนะหรือว่าการดําเนินชีวิตที่ที่ดีงามเนะีนะ่ยการดําเนินชีวิตที่ดีงามขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะ เพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เทอรเนะี่ยนั้นถ้าเราใช้ชีวิตที่ดีงามนะชีวิตที่ดีงามคืออะไรก็ชีวิตที่เดินตามทางอาริยมรรคมีองแตกนั่นแหละนะ่นะถ้าเราใช้ชีวิตที่เราเดินตามอาริยมรรคมีองแตกนี่นแหละมันจะเป็นทางที่จะทําให้เราเนะี่ยพ้นจากความทุกข์เนะี่ยจะเรียกว่าเป็นบุญที่สูงสุดก็ว่าได้ ดังนั้นเราต้องคอยมันเพี้ยนนะเพียนสร้างจิตใจเองให้เป็นพระนะนอกจากการทําประโยชน์ภายนอกเนะีนะ่สละแรงกายสละทรัพย์เราเพื่อสร้างวัดวาอารามแล้วเนะี่เราก็ต้องเพียนในการสร้างจิตใจของเรานะให้เป็นพระนะ โดยการเจริญอ น, นิยมกักมีองค์แปดเนี่ยได้ให้มากมากจะทำอย่างไรละ่นะน่ะเราก็ให้ถือว่าตอนที่เราทํางานนะให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมให้เราอาศัยนะให้เรามีธรรมกากับเวลาเราทํางานนะเวลาเราจะทําอะไรเราพยายามให้เรารู้ตัวในขณะที่ทํานำะ ไม่ว่าจะหยิบจะจับจะเดินจะพูดจะคุยนะก็ให้เราเอาความรู้สึกตัวของเราเนี่ยเข้าไปทำงานด้วยเอาเอาใจที่เรียกว่ามีสติมีความตั้งมั่นเนี่ยมีความมั่นคงในการทำงานงานนั้นก็นอกจากงานที่จะได้วัตถุภายนอกแล้วเราก็ยังได้สร้าง สร้างวัดหรือว่าสร้างใจเราให้เป็นพระนะในใจของเราด้วยเรียกว่าได้ประโยชน์สองต่อนะนะได้ประโยชน์ทั้งภายนอกที่ได้นะสร้างอะไรก็แล้วแต่ทางเดินจงกรมนะน้ำไฟหรือว่าสร้างเสนาสนะต่างๆมันก็เป็นประโยชน์ทั้งภายนอกแล้วก็ถ้าเราทำด้วยใจเราที่มีสติมีสมาธิมีปัญญา นะมันก็จะได้ทั้งการที่เราสร้างใจของเราให้ให้เป็นพระด้วยนะอันนี้อาจเป็นสิ่งที่เราก็ต้องนะคอยเตือนตัวเองเนาะนะคอยเตือนตัวเองนะในการที่เราใช้ชีวิตนะในเพศปันปะชิตก็ดีหรือว่าเรามาประพฤติมาปฏิบัติธรรมก็ดนะนะีอันนี้คือชีวิตที่ประเสริฐแล้วนะ แต่ชีวิต ท, ที่ประเสริฐมันก็ไม่ใช่เพียงแค่รูปแบบภายนอกในการห่มผ้ากาสาวพัดหรือว่าการที่เราเอาตัวมาอยู่ที่วัดเท่านั้นนะเพราะว่าอยู่วัดอยู่ใกล้พระพุทธรูปก็ไม่ใช่เป็นเครื่องรับประกันว่าเราจะเป็นคนดีเราจะพ้นจากความทุกขนะ์แต่เราต้องเอาธรรมะนี่แหละมากำกับใจนะ มากกับใจคอยรู้ทันนะคอยมีสติรู้ทันนะเวลาเกิดสิ่งกระทบนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะแล้วมันส่งผลต่อใจหรือว่าทางใจมันผุดของเขาเองนะทางใจนี่มีสองแบบเลยนะนะเกิดจากอาย a s a n ายนอกมันกระทบแล้วมันก็กระเทือนเข้าไปถึงใจนะเช่น ตาเห็นเส้นตาเห็นอาหารที่จริงมันก็หลายหลายอย่างแล้วมาพร้อมกันตาก็เห็นอาหารเป็นรูปอาหารจมูกก็ได้กลิ่ น, นได้กลิ่นของอาหารนั้นๆนอยู่บางทีบางขณะเราก็กินไปด้วยลิ้นก็ได้รับรสไปด้วยเนี่ยเรียกว่าผัสสะมันกระทบหลายๆอย่างพร้อมๆกั น, น ใจเราก็รู้สึกเนีอาหารนี้มันอร่อยนะเกิดความชอบเกิดความติดใจเข้าไปข้างในเนียเราก็คอยรู้ทันมันรู้ทันว่าชอบรู้ทันว่าอร่อยเงี้ยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะบอกว่าไม่ไม่ให้มีรสชาตินแต่เราก็ต้องรู้ทันนะถ้าเรารู้ทันแล้วเนี่ยอาหารมันก็จะไม่เป็นโทษนะแต่ถ้าเราไม่รู้ทันอาหารนั้นก็จะเป็นโทษนะ ไม่ใช่โทษที่ท้องเสียหรือว่าทำให้ร่างกายไม่ย่อยเบมนนั้นนะนะแต่คือโทษก็คือเราก็ขาดสตินะเราก็เกิดความหลงหนะลงลืมตัวทานไปด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานนะอร่อ ย, ออยก็จะต่างจากที่เราพิจารณาอาหารทุกเช้านะที่บอกนะเรา นะพิจารณาอาหารไม่ใช่เพื่อความเพลิดเพลินสนะุกสนานแต่เพื่อเกิดนะเพื่อให้เกิดการเรียกว่ามีกำลังในการประพฤติพรหมจรรย์อะไรแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเราก็พิจารณาทุกวันเราก็พิ่จริงมันเกี่ยวก็เกี่ยวเนื่องกับการที่เรามีสติเนี่ยแหละเพราเรารู้ทันสิ่งที่กระทบสิ่งที่กระทบนั้นกระเตือนหรือว่าส่งผลต่อใจอย่างไรนะ ไม่เรารู้ทันนะหรือบางอย่างเนี่ยที่บอกว่าภายในใจอน่ยบางทีมันก็ฝุดของมันเองนะบางทีไม่มีสิ่งเหตุปัจจัยภายนอกนคะล้ายๆความฝันนเะี่ยความคิดในตอนกลางวันก็คล้ายๆความฝันในตอนกลางคืนนะั่นแหละบางเรื่องมันก็จะหาเหตุหาผลหาสาระหาที่มาที่ไปกับมันไม่ได้หรอกอนะไปเที่ยวตามหารากเหง้าของเหตุผลน่ะ นะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงคิดอย่างงี้ทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นนะอย่าไปเที่ยวตามหานะนะการรู้ทำรู้ทันสภาวะในใจเนี่ยไม่ต้องไปหาเหตุหาผลนะเพียงแค่รู้ว่ามันรู้สึกอย่างไรนะเพียงแค่รู้ทันว่าตอนนี้จิตมันเผลอไปคิดนะรู้แค่นี้พอเลยนะรู้แค่นี้ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันต่อรู้เฉย เมื่อรู้จึกเฉยแล้วมันก็จะตกของมันเองนะไม่ต้องไปหาเหตุหาผลไม่ต้องไปเอาความพอใจความไม่พอใจนะมาปรุงไปปรุงแต่งต่อนะเรารู้ทันจิตใจเนะี่ยรู้แค่ว่าตอนนี้มีความรู้สึกอะไรนะตอนนี้มันจิตมันเกิดอาการอะไรนะแค่นั้นก็พอละรู้แบบเออเห็นมันเป็นอาการจิตเฉย จิตมันก็จะไม่รวมเข้าไม่รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับกิเลสนะมาถึงนะกิเลสมันไม่เอามันไม่มันไม่มาครอบงำจิตใจเราแค่เห็นมันก็จะตกไปนตกไปเหมือนเราเผลอไปกรรมอะไรแล้วมันแหลมคมนะพอเรารู้ตัวมันเจ็บมันทุกข์แล้วก็แบมือปล่อยมันทิ้งนแก้วดูว่านานที่เรา ไปกรรมไว้ก็มันก็จะตกหล่นลงไปนะจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าเรารู้ทันนะรู้ทันสภาวะพวกนั้นนะ่ะมันมีความทุกข์ที่เจือปนนะมันเจือนะมันทุกข์นะแม้แต่สิ่งที่ดีนะนะเช่นความรักเช่นความสุขอะไรแบบนีนนะ้ถ้าเราไปจับมันไปบีบมัน มันก็ทุกชัดๆเลยน ะ, ะทุกเพราะว่าห่วงทุกเพราะว่าห่วงทุกเพราะว่าหึงทุกเพราะว่าต้องการจะให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆเนะี่ยไม่แต่เป็นสิ่งที่เป็นด้านบวกนะถ้าเรานะถ้าเรามีแล้ว เ, เกี่ยวข้องไม่เป็นเนี่ยมันก็ทุกนะแต่ถ้าเรามีแล้วเรารู้ทันนะ ไม่ไปปรุงแต่งต่อไนอะ้พวกนั้นมันก็จะเป็นสุขที่แท้จริงนะเป็นสุขที่ทำให้เกิดความสงบนะเกิดความสบายใจนะทำให้ไม่ทุกข์ใจมันก็อยู่ที่เรารู้ทันรู้ทันใจของเราเนี่แหละเนะมื่อเรารู้ทันใจของเราแล้วนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจมันก็จะไม่ทำนะความเดือดร้อนใจมาภายหลัง นี่คือสตินะเวลาเราทําการทํางานวเวลาเกี่ยวข้องกับผู้คนเนะี่ยถ้าเรามีสติคอยรู้ทันอารมณ์ภายในใจของเราบ่อยๆนะเอีไม่ว่าจะเกิดจากสิ่งที่กระทบก็ดีหรือเกิดจากการที่เขาผุดขึ้นจากใจของเขาเองก็ดีนะเราคอยรู้ทันแนละ้วแล้วก็ดูมันไปดูมันเปลี่ยนไปดูมันแสดงไป บางขณะเนี่ยมันฝุดฝุดมาไม่ทันจะเป็นความคิดไม่ทันจะเป็นอารมณ์แล้วก็ดูไปอืดูแบบสนุกสนุกไปในแต่ละวันเนี่ยสิ่งที่กระทบนั่นแหละคือบทเรียนของเราทั้งนั้นเรือสิ่งที่มันฝุดขึ้นมาเองนั่นแหละคือบทเรียนของเราทั้งนั้นว่าเราจะรู้ทันได้ใจเป็นกลางหรือว่าเราจะถดําเข้าไปเป็นผู้เป็นนะเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้รักเป็นผู้หลงเนยเป็นผู้โกรธอะไรเนี่ย ให้เรารู้ทันตัวเองบ่อยๆนะแต่พวกนี้ก็ถ้าเรามีเวลาว่างตอนที่เราว่างจากการงานเราก็อาศัยเวลาภาวนาเนาะนะอาศัยเวลาในการนั่งสมาธินั่งสร้างจังหวะหรือว่าเดินจกมกลมเนะี่ยมันก็จะได้เป็นตัวเสริมกันนะกำจํานะสติเนะี่ยบางทีเราเจอสิ่งที่กระทบแล้วมันวันไหวมันไม่ทันนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายัางสร้างเหตุในการที่จะมีสติไม่มากพอเราก็ต้องมาขยันสร้างความรู้ตัวเนี่ยขยันสร้างนถามเดินจึงกลมก็เดินไปเนนีี่่ยยเราก็ขยันเดินจงกลมขยันสร้างจังหวะขยันรู้สึกตัวในการทําวิยวบตต์ต่างๆเนี่ยคนนี้มันก็จะหนุนนมันก็จะหนุนให้พอเราทําการทํางานมันก็จะ มีกำลังนะรู้ทันสภาวะอารมณ์ได้ไดเร็วขึ้นได้บ่อยขึ้นนะมันก็เสริมกันไปเนะีนะ่ยเราก็ต้องพยายามสร้างนะสร้างสร้างสตนะิสร้างความรู้สึกตัวซึ่งจะเป็นซึ่งจะเป็นเหตุปัจจัยในการทำให้ใจิตใจกลายเป็นพระนะนั้นให้เราทำควบคู่กันไปเนะาะทั้งการ อีหนึ่งเราก็อาศัยแรงกายหรือว่าบางคนก็มีแรงทรับเข้ามาสนับส น, นุนะในการสร้างอาสมในการสร้างวัดในการสร้างศาสนสถานศาสนวัตถุอนะเพื่อเป็นประโยชน์ออนะในเชิงที่อาศัยหรือเป็นประโยชน์ที่นะระยะยาวนานขึ้นไปนะ แต่ส่นหนึ่งเราก็ยังลืมสร้างใจของเราเองให้เป็นพระนะสร้างใจของเราให้พ้นจากความทุกขนะ์ในการที่เราพยายามนะรู้สึกตัวพยายามประพฤติธรรมนะอยู่เสมอนะอาศัยการทํางานเป็นการปฏิบัติธรรมอาศัยช่วงเวลาที่เราว่างจากการงานนตะั้งใจทําความเพียรนะีนะ่ก็จะเป็นการสร้างพระนะ ที่ก็มีคุณค่ามากนะพระที่จริงก็คือวัดนี่แหละนะเดินไปอยู่ที่ไหนนะไปพูดคุยกับใครไปสอนที่ไหนก็เหมือนเราเคลื่อนเอาพระพุทธธรรมพระสงค์ไปด้วยนะคนก็สามารถเข้าถึงนะเข้าถึงพระนะเข้าถึงความสุขความสงบความรู้ตื่นเบิกบานได้จากการเคลื่อนที่ไปของคนที่รู้ธรรมะนี่แหละ เหมือนสมัยก่อนนะอย่างพระพุทธเจ้าแต่ก่อนก็วัดวาอาราณต่างๆก็ยังไม่มากนะท่านก็บอกให้ส่งสาวกแยกย้ายกันไปคนละทางนะนะไปเผยแพร่ศาสนานะอาจจะไม่จำเป็นต้องสร้างวัดก็ได้นะไปสอนคนนะให้เขาเข้าใจธรรมะไปสอนคนให้เขาดำเนินชีวิตโดยพรห ม, มจรรย์ไปบอกทาง ออกจากความทุกข์ให้กับเขานะแต่ละคนแต่ละคนพอได้ทาหน้าที่ตรงนี้นะก็เกิดเกิดเรียกว่าศาสนาญาตาิตามตาม่างสืบต่อกันมาหรืออย่างที่สมงปู่มั่นนะสมัยก่อนท่านก็ตุนล ง, งไปที่นั่นที่นี่นะจำหลักปรัชญาไปเรื่อยผนะาซานี้อยู่ถ้า น, นี้ผาซา น, นั่นอยู่ถ้า น, นั่นอะไรเนะี่ยก็ไปของท่านเรื่อย เป็นการสร้างศาสนทายาทโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ตามท่านไปหรือว่าพระสงฆ์ที่อหรือว่าได้ไปหาท่านอไปเรียนธรรมะจากท่านหรือว่าญาติโยมเองใน้ทำบุญหรือว่าได้ปฏิบัติธรรมกับท่านก็เป็นการสร้างเรียว่าเริ่มแรกเขาสร้างท่านสร้างศาสนทายาทก่อนพยายามสร้าง พระในใจก่อนนะเมื่อสร้างพระในใจได้นะการสร้างวัตถุนะี่ที่เป็นวัดเป็นอาสมเป็นที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ยากนะมันก็ค่อยค่อยสร้างขึ้นมาแต่พวกเราเองก็ให้สร้างสองอย่างคู่กันไปเนานะเราสร้างวัดก็อย่าลืมสร้างพระใน ใ, นใจของเรานะเราสร้างพระในใจของเราก็อาศัยเวลาสละ แรงกายในการสร้างวัดไปด้วยนะทำอย่างเดียวนะแต่ได้ประโยชน์สองต่อนะได้ประโยชน์ทั้งตัวเราเองได้ประโยชน์ทั้งต่อส่วนรวมแล้วก็ต่อศ า, าสนาด้วยก็ฝากไว้นะ